ทำบุญทำบุญทำทานหรือว่าส่งท้ายปีเก่าเพราะใกล้จะสิ้นปีใกล้จะสิ้นปี 2,563 กปกติก็ทำมาอยู่เรื่อยๆละ่ะแต่วันนี้ถือว่าตั้งใจพิเศษเจตนาพิเศษทำทาน ทำทานแล้วก็ภาวนาทำปัญญาทำบุญทำปัญญาพ่อแม่หลวงปู่ทองยินท่านทำทานแล้วให้ทำบุญทำบุญก็ต้องทำประจำนะไม่ใช่ว่ามาทำแต่สิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่เพราะว่าบุญบุญเท่านั้นเป็นสมบัติเป็นสมบัติที่จะให้ จิตใจรับรู้รับทราบหรือว่าให้จิตใจเบาไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะใจเพราะใจมีบุญคือใจมีความสงบใจมีสติรู้เป็นธรรมคุ้มคองใจใจมีสติใจมีสมาธิ เมื่อสติมันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันเป็นปัจจุบันเรื่อยเรื่อ ย, อยอก็เป็นความตั้งมั่นแน่แน่ของใจเรียกว่ารู้อยู่ในตัวเองอเป็นมาตรฐานไม่ได้สายแส่ไม่ได้สายความรู้นี่ไปตามอารมณ์ อ, อย่างอื่นฟุ้งซ่านลำคาญมันจะเกิดความทุกข์ นี่รู้อยู่กับตัวเองรู้อยู่กับรู้ใจอยู่กับใจมีสติเป็นตัวคุ้มครองรละลึกรู้เป็นปัจจุบันเรียว่าสติเป็นเพื่อนสองของใจระลยกในอารมณ์ในกุศลคำว่ากุศลก็คิดนึกคิดในทางดีเรียกว่าเป็นกุศลถ้าคิดนึกคิดในทางไม่ดี ในทางเบียดเบียนในทางข่มเหงลังแกมันก็เป็นอกุศลเพราะมันเป็นเหตุจะให้เกิดความเลาร้อนเกิดความหงุดหนิดความฟุ้งซ่านลำคาญของใจร้อนเรียว่าร้อนเพราะบาปร้อนเพราะบาปเพราะอกุศลนี่เยือกเย็นเพราะบุญเพราะความฉลาดนี่ใจรวม มีอารมณ์แห่งความดีเป็นเครื่องรู้ของใจเครื่องอลึก ข, ของสติก็ทำให้ใจสบายเรีย <c> ก <oughs> ว่าทำบุญทำบุญแล้วก็ทำปัญญาทำปัญญาจะปัญญาคือความรู้เห็นตามเป็นจริงธรรมะวิจยะพินิษพิจารณากำหนดรู้ถึงอันนี้จังทุกครั้งอนัตตา สเปสังคาราสังขา ร, าขารคือความนึกคิดปรุงแต่งก็ตามเป็นสังขารจิตคิดปรุงแล้วกเกิดขึ้นตั้งโยกสลายไปหรือว่าดับไ ป, ปรูปสังขารความเกิดขึ้นแหง่งรูปร่างกายของเราเกิดแล้วก็แก่ก็เก็บความเจ็บป่วยนั่นแหละคือความเสื่อม เป็นโลกนั่นโลกนี่นั่นแหละคือความเสื่อมไปเคลื่อนไปของรูปสังขารสุดท้ายเขาก็คืนสู่ธรรมชาติเดิมของเขา <c oughs> ดินคืนสู่ดินน้ำคืนสู่น้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟอากาศก็เป็นอากาศใจธาตุรูปเป็นความรูป <c oughs> ของแต่ละอย่างเนี่ยเ่สิ้นสุดการ ประุมกันก็สลายนี่เป็นธรรมดานลยจังว่ากำหนดรูปสอดส่องเข้าใจถึงความเกิดขึ้นแล้วก็แปลปวนสลายไปในที่สุดนี่คือปัญญาสร้างปัญญาสติปัญญาสติปัญญาชอบนั่นอาจจะฆ่าเป็นเครื่องฆ่ากิเลสองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวง ตามหาวัวท่านนี่ว่าสติปัญญาเป็นเครื่องฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาไม่ได้ฆ่าด้วยสมาธิไม่ได้ฆ่าด้วยสติสมาธิสมาธิเป็นการตะร่อมเหมือนกันกับไร่วัวไล่ควายเข้าคอกไล่เป็ดไล่ไก่เข้าในรกในคอกมันเป็นเขตจำกัด ที่นี่จะฆ่ามันก็ฆ่าง่ายจับง่ายแต่ว่าที่จะฆ่าให้มันตายให้มันสิ้นสุดให้มันหมดฤทธิ์หมดอำนาจไปจากกิจใจกิเลสคือความโรคโกรธหลงอาการมันเป็นอาการที่ย่ำยีคือทำให้ใจนี่แหละเป็นผู้ลูก่กระทบกระเทือน เพราะฉะั้่ากิเลสด้วยสติปัญญาภาวนาเพียนเพ่งกำหนดรู้ถึงอนิจจังทุกครั้งันอนัตตนี่แหละก็เป็นปัญญาอยู่แล้วปัญญาเป็นดาเพชรของหลวงปู่จันทาท่านเทนท่านสอนเดยก่อนปัญญาเป็นดาเพชรค่าฟันตัดกิเลส ท, ท่านพูดเป็นสมมุติ เป็นปุคลาที่ฐานก็เหมือนกับว่ามันเป็นมีดเป็นดาบเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนเรามีดสับมีดฟันแต่ในส่วนทำในส่วนนา ม, มธรรมมันก็เป็นอาการคําว่าปัญญาคือความรู้สอดส่องทําให้ความเห็นแจ่มแจ้งเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปละความหลงที่ยึดที่ติด ที่มันไปเกาะไปคล้องว่าเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขามันจึงเหตุงั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความโกรธความโลภเพราะมันหลงนั่นแหละเพราะนั้นจึงว่าฆ่ากิเลสคือความหลงด้วยสติปัญญาความหลงไม่มีแล้นก็ไม่มีอะไรไปยึดไป พอไปติดไม่มีอะไรไปหมูลเป็นอุปทานฟุ้งซ่านลำคาญ ใ, ใจเดี้ยแต่ธรรมชาติใจรูล้ละรู้วางรู้ว่างจังว่าข่ากิเลสด้วยสติปัญญาเนี่ยมีสามอย่างทําบุญทาทานสละกิเลสอย่างหยาบ คือความโลภความตณีอย่างหยาบออกไปรักษาศีลเสริมสร้างสติสมาธิเข้าไปเพื่อให้มีความมั่นคงในการดำเนินมรรคเจริญมรรคคือการทำบุญทำทานหรือการกำหนดรู้พุทธโธธรมโมสังโฆประจำจิตจประจำจิ ต, ป ร, จจตประจำใจ มันแน่วแน่เขาไปแนวแ น, วแน่เข้าไปความรู้นี่ก็ไม่สายไปกับอารมณ์อย่างอื่นพิจารณาด้วยปัญญาเรียกว่าสติปัญญาแยกแยะสิ่งที่รู้ที่เห็นที่สัมผัสสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติส่วนมากเราจะเห็นผิดเนี่ยสัมผัสอะไรก็เข้าใจว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรา นี่เป็นตัวเป็นตนของเราเรื่อยไปมาภาวานาใช้สติปัญญาแยกแยะให้มันเข้าใจขันห้าหรืออารมณ์ทั้งหลายมันเป็นเพียงกิิยาอาการซึ่งเกิดจากใจมีใจเป็นมหาเหตุมีใจเป็นประธานทั้งนั้นแหละนี่เข้าใจความเป็นกิงแยกส่วนนั่นเป็นนั่นส่วนนี่เป็นนี่ตามสมมติของเขา ผู้เข้าไปลู่สมมุติมันไม่ไปมันไม่เกิดอุปทานไปยึดสมมุติมาเป็นตัวเป็นตนของเราละก็วางสมมุติทั้งหลายตามสภาพผู้ลู่สมมุติก็อยู่ตามสภาพลู่ของตนเองสิ่งที่ถูกสมมุติเขาก็เป็นสภาวะของเขาตามเป็นกิงของเขาเลยวะ่ะนี่เลย เข้าใจสมมุติเรียวว่าแยกอุปทานหรือถอนอุปทานถอนความหลงที่เข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเมื่อถอนได้ด้วยสติปัญญาสธาความเพียรที่ประพฤติปฏิบัติไม่ท้อถอยนี่แหล ะ, ะก็จะเป็นผลสำเร็จะจะเป็นผลสำเร็จเป็นการทำที่สุดแห่งทุกขให้สิ้นสุดไปได้ด้วย สติปัญญาในขั้นสุดท้าย <c oughs> นี่เมื่อได้กระทำอาเพนแล้วตอนนี้ไปก็ตั้งใจอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้ทำแล้วเพื่อแผ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายญาติมิตรบรรพบุรุษบิดามารดาพระมหากษัตริย์เจ้ารำรนายเวนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมมาอยู่ที่ใจของเราหมดละ เ้ามาเป็นใจของเรานี่แหละเป็นเจ้ากรรมเป็นนายเวรเสื้อเองเพราะท่านว่ารวมเข้ามาน้อมนึกและลึกรวมเข้ามาที่ใจเพื่อแผ่สิ่งที่เราได้สละไปแล้วได้ให้ไปแล้วนี่เป็นความดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย